สสัตตสมานานัตถาธิว่าด้วยสมถธิเจ็ดมีอัดต่างกันเป็นต้น35มรหาถามทำเหล่านี้คือสมุขาวินันก็ดีสติวินันก็ดีมีอัดต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัดอย่างเดียวกันแต่พยัญชนะต่างกันทาเหล่านี้คือ สัมุขาวิไยก็ดีอมุระหาวิันก็ดีธรรมเหล่านี้คือสมุขาวิไนก็ดีปฏิญญาตะการณะก็ดีธรรมเหล่านี้คือสัมุขาวิันก็ดีเยปุยสิกาก็ดีธรรมเหล่านี้คือสัมุขาวิันก็ดีตัดสปาปิยาสิกาก็ดีธรรมเหล่านี้คือสัมุขาวิันก็ดี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 สัมุขาวินัยก็ดีอมมราหาวินัยก็ดีธรรมเหล่านี้คือสัมุขาวินัยก็ดีปติญญาตะการะก็ดีธรรมเหล่านี้คือสัมุขาวินัยก็ดีเยผุยสิกาก็ดีธรรมเหล่านี้คือสัมุขาวิันก็ดีตินวัฏฐากะก็ดีธรรมเหล่านี้คือสัมมุขาวิันก็ดี ตินวัธาระกะก็ดีก็มีอัตต่างกันมีพยัญชนะต่างกันวิวาธาธิกร355วิวาทะเป็นวิวาธาธิกรวิวาทะไม่เป็นอัธิกรอัธิกรไม่เป็นวิวาทะเป็นอัธิกรด้วยเป็นวิวาทะด้วยวิวาทะเป็นวิวาธาธิกรก็มี วิวาทะไม่เป็นอธิกรณ์ก็มีอธิกรณ์ไม่เป็นวิวาทะก็มีเป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นวิวาทะด้วยก็มีในข้อนั้นวิวาทะอย่างไรเป็นวิวาธาธิกรณ์ภิกษุในธรรมวินัยนี้วิวาดกันว่านี้เป็นธรรมนี้ไม่เป็นธรรมและนี้อาบัติชั่วหยาบ นี้อาบัติไม่ชั่วยอยากความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งความวิวาทการกล่าวต่างกันการกล่าวโดยประการอื่นการพูดเพื่อความกัดกลุ่มความหมายมั่นในเรื่องนั้นวิวาทนี้เป็นวิวาธาธิก่ก่อนในข้อนั้นวิวาทอย่างไรไม่จัดเป็นอธิกรณ มารดาทะเลาะกับบุตรบ้างบุตรทะเลาะกับมารดาบ้างบิดาทะเลาะกับบุตรบ้างบุตรทะเลาะกับบิดาบ้างพี่ชายทะเลาะกับน้องชายบ้างน้องชายทะเลาะกับพี่สาวบ้างพี่สาวทะเลาะกับน้องสาวบ้างเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนบ้างวิวาทะนี้ไม่เป็นอธิกร ในข้อนั้นอธิกรอย่างไหนไม่เป็นวิวาทะอนุวาถาธิกรอปาตตาธิกรกิจจาธิกรอธิกรนี้ไม่เป็นวิวาทะในข้อนั้นอย่างไหนเป็นอธิกรด้วยเป็นวิวาทะด้วยวิวาธาธิกรเป็นอธิกรด้วยเป็นวิวาทด้วยอนุวาธาธิกร356ห การโจดเป็นอนุวาธาทิกรการโจดไม่เป็นอธิกรอธิกรไม่เป็นการโจ์เป็นอธิกรด้วยเป็นการโจดด้วยการโจ์เป็นอนุวาธาทิกรก็มีการโจ์ไม่เป็นอธิกรก็มีอธิกรไม่เป็นการโจ์ก็มีเป็นอธิกรด้วยเป็นการโจ์ด้วยก็มี ในข้อนั้นการโจทย์อย่างไรเป็นอนุวาธาทิกรภิกษุในธรรมวิเนยนี้ย่อมโจทย์ภิกษุด้วยศีลวิบัติหรืออาจารราวิบัติทิฏฐิวิบัติหรืออาชีวพิบัติการโจทย์การกล่าวหาการฟ้องร้องการประท้วงความเป็นผู้คล้อยตามการทำความพยายามโจทย์ การให้กําลังสนับสนุนในเรื่องนั้นการโจร์นี้เป็นอนุวาทาธิก่อนในข้อนั้นการโจร์อย่างไรไม่เป็นอธิกรมารดาฟ้องบุตรบ้างบุตรฟ้องมารดาบ้างบิดาฟ้องบุตรบ้างบุตรฟ้องบิดาบ้างพี่ชายฟ้องน้องชายบ้างน้องชายฟ้องพี่สาวบ้าง พี่สาวฟ้องน้องชายบ้างเพื่อนฟ้องเพื่อนบ้างการโจดนี้ไม่เป็นอธิกรในข้อนั้นอธิกรอย่างไหนไม่เป็นการโจดอาปัตตาธิกรกิจจาธิกรวิวาธาธิกรอธิกรนี้ไม่เป็นการโจดในข้อนั้นอย่างไหนเป็นอธิกรด้วยเป็นการโจดด้วย อนุวาตาธิกรเป็นอธิกรด้วยเป็นการโจดด้วยอาปัตตาธิกร35มอหาบอาบัตเป็นอาปัตตาธิกรอาบัตไม่เป็นอาทิกรอธิกรไม่เป็นอาบัตเป็นอธิกรด้วยเป็นอาบัตด้วยอาบัตเป็นอาปัตตาธิกรก็มีอาบัตไม่เป็นอาทิกรก็มี อาิกรไม่เป็นอาบัตก็มีเป็นอาิกรด้วยเป็นอาบัตด้วยก็มีในข้อนั้นอาบัตอย่างไหนเป็นอาบัตตาทิกรอาบัตทั้งห้ากองเป็นอาบัตตาทิกรอาบัตทั้งเจ็ดกองเป็นอาบัตตาทิกรอาบัตนี้เป็นอาบัตตาทิกรในข้อนั้น อาบัติอย่างไหนไม่เป็นอธิกรณ์โสดาปัตสมาบัติอาบัตินี้ไม่เป็นอธิกรณ์ในข้อนั้นอธิกรณ์อย่างไหนไม่เป็นอาบัติกิจธิกรณ์วิวาธาธิกรณ์อนุวาธาธิกรณ์อาปตาธิกรณ์อธิกรณ์นี้ไม่เป็นอาบัตในข้อนั้นอย่างไหนเป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นอาบัตด้วยอาปัตตาธิกรเป็นอธิกรด้วยเป็นอาบัตด้วยกิจจาธิกร358กิจเป็นกิจจาธิกรกิจไม่เป็นอธิกรอธิกรไม่เป็นกิจเป็นอธิกรด้วยเป็นกิจด้วยกิจเป็นกิจจาทิกรก็มีกิจ ไม่เป็นอธิกรก็มีอธิกรไม่เป็นกิจก็มีเป็นอธิกรด้วยเป็นกิจ ด, ด้วยก็มีในข้อนั้นกิจอย่างไหนเป็นกิจจาธิกรความที่สงมีกิจความที่สงมีกิจอันจะพึงธรรมคืออปโรกะนะกรรมยติกรรมยติทุติยกรรมยติจตุถะกรรม กิจนี้เป็นกิจจาธิกรในข้อนั้นกิจอย่างไหนไม่เป็นอาิกรกิจที่พึงทาแก่พระอาจารย์กิจที่พึงทาแก่พระอุปชากิจที่พึงทาแก่ภิกษุปูนอุปชากิจที่พึงทาแก่ภิกษุปูนอาจารย์กิจนี้ไม่เป็นอาิกรในข้อนั้นอาิกรอย่างไหน ไม่เป็นกิจวิวาทาธิกรอนุวาวาธิกรอาปัตตาธิกรอธิกรนี้ไม่เป็นกิจในข้อนั้นกิจอย่างไหนเป็นอธิกรด้วยเป็นกิจด้วยกิจจาธิกรเป็นอธิกรด้วยเป็นกิจด้วยอธิกรณะเพทะจบหัวข้อประจำเรื่อง การหรือฟื้นอธิกรหรือฟื้นด้วยอาการเท่าไรบุคคลหรือฟื้นมีอะไรเป็นนิทานเหตุปัจจัยมูลสมุดฐานเป็นอาบัตมีอธิกรในที่ใดแยกจากกันมีนิทานเหตุปัจจัยมูลสมุดฐานมีพยัญชนะวิวาทะ อธิกรณ์ดังที่กล่าวมานี้จัดลงในประเภทอธิกรณ์ด้วยประการชนนี้แล